จัวาคงจะขอเนี่ยาปอสุดท้ายนะคะการให้ทานจากผู้ที่โลภอยากได้ของของผู้อื่นแล้วทาให้ผู้ที่ได้รับทานนั้นมีความโลภมากขึ้นจะเกิดกรรมกับผู้ให้ทานและผู้รับทานอย่างไรคะตัวนี้ตรงนี้เวลาให้ทานมุดดีที่ไม่ได้ไปไล่ลำดับให้ดูเนะเวลาจะให้ทานนี่นะให้เขามีความฉลาดในการให้ก็จะให้ผู้มีศีล ในลำดับให้ศีลนะผู้มีศีลเขานับจากศีลจากคุณธรรมบางทีบางทีเหมือนเหมือนบางทีเราจะถามเออวันนี้เห็นโยมเนี่ยเวลาถ้าพระจะสละของที่เหลือจากบินทบาทจะต้องสละแล้วเนี่ยพระก็สละออกแล้วก็ถามว่าวันนี้ยมรักษาศีลด้วยอเอาศีลแปดนี้แนะล้วเอารักษาศีลหน้านี่พระก็เ อ, อื้อี่ยาวหายไม่ทันพระสละและ้วพระสละและ้วอย่างงี้นะ การให้ทานก็จะให้ตามลําดับบุคคลคือวัดเป็นที่คุณธรรมและศีลเป็นต้นทีนี้ถ้าไปเจอคนที่มีความโลภว่าเราให้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อเขาไหมนั้นถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านให้ทานเนี่ยท่านจะพิจารณาท่านจะพิจารณาเช่นคนคนนี้เป็นคนโลภไม่รู้จักหยุดไม่รู้จัะย่อนท่านจะรู้จักพิจารณาว่าจะให้ทีหลังยังไงให้บุคคลอื่นที่มีความสําคัญก่อนในทางด้านคุณธรรมยังไงท่านก็ไล่ลําดับ มท่านดูทั้งของดูทั้งบุคคลดังนั้นเวลาให้ของให้สังเกตโดยจะไม่เหมือนกันเหมือนเมือนาณาาพินิกาาเสษ็ีให้ของท่านจะวัดตั้งแต่พวกลายดัดสงมาแต่บุคคลธรรมดา